พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่เจ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส7เจดกันยายน2556ห้าห้าสหมีชื่อเรื่องว่าการเลือกผู้นำวันที่ สิบเก่าเนะคณะจาตท่าญาติโยมลูกหลานอา่าลืมบอกต่อตกันไปด้วยก็ได้ได้ทำบรรจุพระธาตุในองค์หลวงปู่มั่นหลวงตาหลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วบรรจุอธิธาตหรือพระธาตุในองค์รูปเหมือนท่านหินอ่อนหินขาวไว้แคระละ วันที่ 19, สิบเก้าฉันจะงานแล้วฉันจะงานเซตก็บรรจุละวันที่สิบเก้ามันเหวันที่สิบเจ็ดนันลูกหลานนะในที่หลวงพ่อจับอยู่ในนี้ก็คือโยมลาดรานมั่นขวัญเมืองกับมูคณะรวบร่วม จ, ปปจิตปัจจัยเพื่อจะสร้างพระประท่านหินเนนสเปน หินนนนสเปนหินแกลเนตนะก็พร้อมทั้งพระสาวกสององค์เดี๋ยวนี้แก้แล้ววันทีช่วงเดือนม ก, กราเขาสีทรงพระมาไหว้สลาใหญ่ทรงพระมาสลาใหญ่ถึงที่ขาใจใจทั้งสอง ต้องสองพระทั้งพระพุทธรูปทั้งพระสาวกรวมเป็นเงินทั้งหมดสล้านปแสห้ามบาทส8มล้านปดแสห้ามนบาทพระพระประธานกับพระสาวกแต่วันนี้มีผูบริจาคมาแล้วล่ะร้านเกษตร น้ำโสมโลกเกษตรน้ำโสมแต่เพิ่นมีบริษัทหนึ่งแต่หลวงพ่อจำว่าไรแต่เพิ่นออกมาสามล้านแล้วก็มีมูออกมานํำแน่ก็เป็นอันวายยงขาดอยู่ประมาณแปดแสนกว่าๆแต่แปดแสนกว่านึ่ก็มีผูมาถวายออกมาเรื่อยๆอยู่เลยแต่ก็บบริเนกใจเรื่องพระประธานแล้วก็มีโยม ลานมั่นขวัญเมืองกับคณะเพื่อนนี่ยมีไล่ซื้อเงาเหยียดเลยเนี่ยหลวพออ่านบ่ได้หรอกถ้าอ่านเนี่ยก็จะปฏิสนิยังไงละเหมือนเนียเงาโกดคนละหลอยก็หาสิบาทก็มีสองหอยก็มีคนละพันก็มีแล้วก็คนละหมื่นก็มีคนละหมื่นมีเยอะสามคนมาล่วมกันแล้วบาเนี้ยออยอดชุธิทางเม็ดเจ็ดสิบแปดคนเป็นเงิน 8ปดหมืห้าพเจ็ดรอยแปดสิบเจ็ดบาทหาหมืนแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทอ้ลูกหลานในญี่ปุ่นในหลายๆนะสางพระประทานเห็นหมดทันหนเพอเบาเงินเบาเรื่องสางพระประทานนี่นิวพระประทานขาดหักนิ่วพระประทานหัก ผู้ดใดเห็นโอ้นิ่วพระประธานหักมีตากแก่คนหนึ่งออน่าจะเอาดินเหนียวมาแล้วก็มาปั่นแล้วก็เผาให้แห้งจากนั้นก็มาเตะดดามเส้ น, นิ่วนิ่วซี่พระประธานมันไปแล้วเสีท่ามานันเพราะท่าแล้วก็คืบกันแล้วมันเอาไปเขากันได้แด่เพราเขาได้แดน่นะ<ม>ออแต่ท้ามวยคว่ำจัดท่า นี่แหละอันไอสงได้ทำนิวซีให้พระประท่านเกิดมาพบนาชาตินาเป็นเจ้าใหญ่หน้โตขึ้นมาเนี่ยไปได้ทุกนอก่องถอยเสือมัดตัวไปซีให้ทำอยังทำไรบ้างไปนิวซีมีอำนาจบ้างไปพอได้สั่งได้สั่งนิวซีถวายพระประท่านนะ นายอมเพร่ในคมพลวัลวนลงไปม่เวไ น, น, นท่านหลวงพ่อแดงนี่หลวงพ่อบ่เหน็นในตำราแต่นายอมเพร่บอกเนึกว่าคือคือวนันไปเนี่ยนี่แหละขันธมโหข้าวสาั่งพระทั้งองค์เละเออสิ่งอันนี้สงสิขนาดใดว่าไปสั่สงพระประท่านเกิดพบนาชาตินาเกจเป็นประมุกเป็นประท่านเขาตัวโวย ขั้นสางพระประท่านองเดียวบันนั้นคนสางเป็นตังเจ็ดิบพกคนเนี่เหตุจากไหนเราเป็นประท่านวายหยาดไ ป, ค น, ปคนอยู่คนละหมองแหม่อย่าไปหาอยู่หมองเดียวกันตัวเอในประเทศในโลกนั้นมันตังมีตังเยอะแยะใช่ไหมละ่ละตังร้อยก็ประเทศคนนะที่เป็นประมุกแล้วแต่ละแต่แ ล, ะะแตและประเทศก็มีพวกนู่นมีนายกสักคนหรืก็มีนอกรองนายกมีสำนักงานอีกต่างหาก เออแต่และกระช่วงท้าบวงกลมมากไม้ขนาดไหนล้วนแล้วจะเป็นหัวหนา้าทั้งวัดอแคนโมมี่ตระแหนกเป็นหัวห น, านว้าครอบครัวแันโมมี่ตะแหนของหัวหนา้าเจ้าของขตัวมันหัวหนา้ามันมีหลายหัวหน้าก็อย่งไใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหนา้านะมันโมปุพังกรรมมาธรรมามโนเศรษฐามนโนมายานะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหนา้า สำเร็จแล้วด้วยใจคันบ่มีอย่างไรเจ้าของเป็นหัวหน้าเจ้าของแต่หัวหน้าที่ดีได้ต้องเป็นหัวหน้าที่ดีอย่าเป็นหัวหน้าจอมปลอมอย่าเป็นหัวหน้ า, าตะเลถลายอย่าเป็นหัวหน้าที่เอาลัดเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบลูกน้องเป็นหัวหน้าที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรม ม, มีศ imated, มีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีอันนี้ก็คือหัวหน้า ต่างหัวหน้ากินลูกน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันนะการเลือกหัวหน้าไม่ใช่เรื่องของง่ายเหมือนกันน่ะสมัยก่อนกาพวกนกทางหลายเขาเลือกหัวหน้าสัตว์ทางหลายเขาเลือกราชเสือสีสัตว์สีเท้านะเขาเลือกราดเสือสีเป็นพญาเป็นหัวหน้ามนุษย์ทางหลายเขาก็เลือก ผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้มีความรอบครอบผู้มีสายตากว้างไกลเป็นผู้มีน้ําใจมีเมตตาอบอ้อมอารีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเขาเลือกให้เป็นหัวหน้าอันนี้คือมนุษย์เขาก็เลือกหัวหน้าคือเป็นพระราช า, าสัตว์สีเท้าก็าเลือกพญาราชสีเป็นสัตว์ที่ ว่องไวคร่องแคล่วมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นพญาปลาในทะเลซึ่งอยู่ในทะเลก็แต่มันเขาก็อยู่ในกลุ่มของเขาเว่าเขาเรียกเรื่องปลาอานนเป็นพญาปลาปลาใหญ่แต่นกอยู่ในปลาหิมพนันเอ๊ะเราจะหาใครเป็นหัวหน้าเรานะนกทั้งหลาย เขาก็ปรึกษาปาหาลือกันบ้า ป, ปรึกษาหาลือกันเอาใครวะเป็นพยานเนยพราะหัวหน้าเนี่ยสำคัญนะเป็นผู้บงคาดเป็นผู้ชี้ขาดถ้าว่าใครทะเลาะกันก็ต้องมีหัวหน้าถ้าไม่มีหัวหน้าแล้วจะทำยังไงจะเป็นผู้ไก่เกลีย่ยหรือจะเป็นผู้ชี้ผิดถูกได้อย่างไรเพราะต่างคนก็ต่างมาหลุมมาตุ่มกันเลย มีแต่จะประหับประหารกันน่นะถ้ามีหัวหน้าขึ้นมาแล้วก็ตั้งหัวหน้าขึ้นมาทุกคนก็ต้องฟังหัวหน้ายึดนะทุกคนก็ต้องหยุดแต่ทุกวนันในประเทศไทยของเราหัวหน้าไม่ศักดิ์สิทธิ์นะหยุดขนาดไหนก็ยังเขาก็ยังจะลากลอกคอหัวหน้าออกมาอีกออไปว่าหัวหน้าไม่ศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าไม่มีอำนาจเต็มอก็เลยนี่แหละ ปกครองที่หัวหน้าไม่เก่งมันก็เลยมีทะเลถลายแต่ในเรื่องหัวหน้าเนี่ยจำเป็นและสำคัญในนกทั้งหลายเขาก็อยากจะได้หัวหน้าเหมือนกันเพราะสัตว์ทุกประเภทก็มีหัวหน้าแล้อย่างที่ว่านมนุษย์ก็มีหัวหน้าสัตว์สี่เท้าก็มีหัวหน้าปลาในทะเลก็มีหัวหน้านกทั้งหลายยังไม่มีหัวหน้านกก็เลยนัดกันไปประชุมที่ป่าหิมะผ่านนะนะ นัดไปไประชุมกันที่ป่าหิมะพานพอจะ น, นกันนกท่า น, นล้วก็ลุมไปพอไปนกฮูกคนะงนกเป็นนกฮูกนกฮูกตัวใหญ่มั้งก็จะเป็นนกออล้อนมะมั้งตระกูลนกฮูกนะพอไปก่อนแล้วก็ไปยืนยืนตัวตรองหลับตายต่างหากพระนกฮูกมันกลางวันมันมันนอนหลับนะีกลางคืนเนี่ยค่อยออกหากินเนะ่ยังลืมตาลืมตาโพลขึ้นมานะแต่กลางวันน่ยหลับตา ยืนนิ่งก่อนเพื่อนมานกทั้งหลายเห็นก่อนถ้ายิบถ้าเป็นนกเล็กเห็นกระท้องน้องร้องเลยรอะท้วงเลยรอะไรแยแย่แย่อะไเหมือนกันหน่อยถ้าเห็นนกเนี่ยเนี่ยดูได้อันตรายนะแหล่ะลักษณะอย่างนั้นนกขู่จะไปยืนนกทั้งหลายก็มาพร้อมกันพอพร้อมกันนกทั้งหลายก็บอกอื้งใครจะเอาใครเป็นหัวหน้าพวกเรา สัตว์ทางหลายเขาก็มีหัวหน้าหมดแล้วมีแต่นกตสกุลนกยนะยังไม่มีหัวหน้าจะเอาใครเป็นหัวหน้าสเสนอโดยเซที่ประชุมก็สเสนอขึ้นมาตัวนั้นก็เสนอนี้เสนี้เจ้าหน้แต่เห็นนกเขาเนะ่ยยืนจม ง, งํามัมนน่ากลัวเลยนกทางหลายเออเอานกเขาดีไหมมาก่อนเวลาอีกดูแล้วก็นหน้าเกรงขาม เอานกเขาเป็นหัวหน้าดีไหมอพอนกทางหลายเสนอขึ้นมาหลายเสียงเออตอนนี้เกือบจะตกลงกันแหละ่านนอยกำลังซาวเสียงกันอยู่เกือบจะตกลงกันกาที่อยู่ในเหตุการณ์เขาข้าพเจ้าขอแสดงความคิดเห็นเนิที่ถ้าว่าพวกท่านจะเอานกเขาเนะี่ย เนีดูซิจะเป็นยังไงข้าพเจ้ามองดูแล้วนะ่ะนกเขานะ่ะมันกลางวันมื่กลับหลับตามมึเนี่มกลางคืนยังค่อยตาโผลงขึ้นมาแล้วจะไปไก่เกี่ยวจะไปโน้มน้าวเวลาพวกเราทะเลาะกันเนะี่ยไม่ใช่ว่าทะเลาะ ก, ากลางคืนมาเลยทะเลาะกลางวันก็มีนะี่มันหลับตาอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะเอานกเขาเป็นพยาเป็นหัวหน้านะ ต้องดูดูแล้วจะไม่มีวิสัยทัศนอีกต่างหากจะไปไกลเกียวใครแต่หลับตาอยู่ทั้งวันดูซึเมเงิบ อ, อยู่เลยไม่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าม อ, มองมองดูแล้วไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองเหตุการณ์อะไรนกเขาพอพูดขึ้นมานกเ้ากำ บ, บินขึ้นบนอากาศกากากากากาไนกกากาบินขึ้นบนอากาศ กากล้า ก, กากไม่เห็นด้วยที่จะตั้งนกเขาเป็นหัวหน้าแจากนั้นกากันลงมาลงมาสัตว์ทั้งหลายเออช่กานี่พูดถูกกว่าออจริงอย่างที่กาพูดดูแล้วซึ่มห่มอยู่ทั้งวันเนี่ยมันก็ยังวาเป็นหัวหน้าไม่ได้หรอกหัวหน้ามันต้องสอดสองสอดใส่ดูหมูพวกเพื่อนสารถูกสุกดิบออมันถึงจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ มีอะไรไก่เกียร์ถ้ามันมีทะเลาะกันถ้ามันตุ้ยไล่ขึ้นมากับปลามจึงจะโทษแต่นิสัยนกเขาเนี่ยความไก่เกียร์คงไม่มีหรอกนิสัยแบบนี้ซึ่มก็ไม่พูดไม่กระดุกกระเดกอย่างนี้คงไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าเอาเอาไม้เอาใครกัเนเลยกลุ่มหนึ่งบอกเออหน่าจะเอากาเนอะวะ่าการู้สึกว่าพูดเข้าท่าวะ่ะพูดเมื่อกี้นี่วิสัยทัศน์มองไกล เอากาธนาเลยนกเขาก็ขวางในใจอยแล้วงั้นอนกันเออว่ากาจะเป็นหัวหน้ามันขวางอยู่ในใจจากนั้นก็กานกเขาก็พวกท่านทั้งหลายจะเอากานะเป็นหัวหน้าข้าพรเจ้าไม่เห็นด้วยนะเดก็เหมือนกับผู้แทนทุกวันอยู่ในสภาเนี่ยเอาคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่ง ข, ขัดค้านเอาคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่ง ข, ขัดค้านว่าเจ้าูปแล้วก็คือคนรอนมันมันต้องมี มีดีคนละอย่างมีเลวคนละอย่างใช่ไหมล่ะอันนี้กากับนกเขาก็เหมือนกันนะกาก็มองนกเขากันแบบหนึ่งเลยแต่นกเขามองกาทฉนเลยพวกท่านทั้งหลายจะออกกาเป็นหัวหน้าเหรอดูกขสิตัวของมันก็ดําไมิม่มอยู่แล้วใจของมันก็ดํายิ่งกว่าขนมันอีกไงต่อหน้าเนี่ใช่แต่รับหลังเนี่ยเออ มันคัดขโมยเนี่ยใครจะไปยิ่งกว่ากาต่อหน้าอีกแบบหนึ่งรับหลังอีกแบบหนึ่งต่อหน้านี่นั่นแหละดีแต่รับหลังออไปหาขโมยกินไข่ไข่นกไข่อะไรต่อไข่อะไรกินลูกนกกินลูกลูกเล็กลเด็กแดงของสัตว์สัตว์ทั้งหลายกาเนี่ยอไปขโมยกินไข่กินลูกนกถ้ามันเป็นพญานี่ยพวกท่านทั้งหลายจะเอาลูกมาเลยสังเวยมาเลี้ยงมัน มาให้มันกินเนี่ยเท่าไหร่มันจะเรียกกินเท่าไหร่พวกท่านคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะถ้าจะเอากาเป็นพราเนะี่ยมันลักเล็กขโมยน้อยนะมันไม่ซื่อสัตย์นะเห็นไหมตัวมันก็ดาอยู่แล้วใจมันยิ่งดากว่าใจมันยิ่งดำกว่าตัวของมันอีกพวกท่าน จ, าจะเอายังไงข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะเอากาเป็นพระยาเป็นหัวหน้าหนกเขาบอก นกเขาก็บินขึ้นบนไฟเก้วเกียวไม่เห็นด้วยที่จะเอากาเป็นพญาเป็นหัวหน้าก็ลงมาลงมาเออใช่นกเขาเนี่พูดถูกเพราะกาเนี่ยหน้าไหว้หลังหลอกแต่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งกินหมูอีกต่างหากถ้ามันเป็นพญามันจะกินขนาดไหนถ้าขนาดไม่เป็นพญาขนาดที่มันก็ยังมีชั้นเชิงเลี่ยมขนาดนี้ ไม่สมควรที่จะเป็นหัวหน้าเพราะคนไม่ซื่อสัตย์สุดจริตไม่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วไม่น่าจะเป็นหัวหน้าเอาเอาคนอื่นเอาสัตว์อื่นสัตว์ทั้งหลายก็เลือกเฟ้นกันะได้พญาหงษ์หงษ์ยืนสวยงามได้พญาหง์เอาเสนอหง์เป็นพญาดีไหมพญาหงษ์พอหง์เนี่ไม่เบียดเบียนใคร ลงในในน้ากินก็กินปลาเล็กเอ็กแล้วก็กินหมากหญ้ากินข้าวกินหมากหญ้าตามริมคลองริมหนองไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้เบียดเบียนนกพวกท่านทั้งหลายเห็นด้วยไหมที่จะเอาหงเป็นพญานะจากท่างกับ น, นกทั้งหลายก็ยกมือให้ใช่เอาเห็นด้วยอตั้งแต่บัดนั้นมาหงก็ได้เป็นพญาหงพญาหงตั้งแต่ครั้งนั้นมา แต่พอเลิกประชุมแล้วแต่ไแล้ เ, เลิกปชุมเสร็จแล้วเนี่ยไอน้นกหูกนกเขาในกฎก็ให้กาเหมือนกันแต่เพราะว่ากาคัดค้านตัวเองเอากาเนี่ยก็โกรธให้นกเขาอีกเหมือนกันหาว่านกเขาไม่ให้ตัวเองเป็นหัวหน้าพอต่อมาก็เลยผูกพยาบาทอาฆาตกันแต่ไหนกาก็นกเขาทุกวันนั้นก็ยังยังมีอยู่ได้ สาเหตุที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นชาดกเนี่ยนะพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่วัดป่าเชตะวันสร้างศาลาใหญ่อย่างพวกเราสร้างศาลาไว้ข้างนอกนะกลางคืนมากามันก็มาเกาะกลางคืนนกเขามันตาสว่างเนะี่ยมันก็ไล่กัดไล่จิกตากาเนะี่ยเกาะไล่กากินเกาะกาใจจิกกานะ ตายและก็กินกาอีกหัวหลุดหัวขาดในศาลาศาลาใหญ่พอตกกลางวันมานกเขามันตามองไม่เห็นกามันมองเห็นกาไล่ตะไล่จิกนกเขาอีกกินนกเขาอีกหัวหลุดหัวขาดอีกเหมือนกันสัตว์สองตัวนเป็นอริเป็นศัตรูกันพระสงฆ์ทั้งหลายพอกลางคืนมาตอนเช้ามาก็ ปัดหัวกาพอกลางตอนเย็นมากปัดหัวนกเขาขนขนนกเขาที่สาลาแต่ละวันเกือบจะไม่เว้นแต่ละวันพระสงฆ์ก็เลยบ่นเอหนกสองตัวมันทำไมเป็นอริเป็นศัตรูกันมันทำไมจึงสังหารเบียดเบียนกันขนาดนี้พนะพระพุทธเจ้าได้ยินก็ได้เสด็จมาประทับก็เลยบอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลาย นกสองตัวนั้เป็นอริจตูกันนะ่ะตั้งแต่นู้นตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมนาะตั้งแต่เลือกหัวหน้านะอ่าเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าสมัยไหนไปเจ้าการพระพุทธองค์เลยยกเนี่ยเป็นชาดกขึ้นมาเนี่ยนี่ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะ่ะผู้ที่จะเป็นหัวหน้านะ่ะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารีเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นผู้ยอมเสียเปียบถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นเหยียบขี้หมาก็เหยียบก่อนเพื่อนเหยียบน้ำก็ต้องเหยียบก่อนเพื่อนจึงจะเป็นหัวหน้าได้ไม่ใช่ว่าจะเนอแต่ความชอบกับตนเองเอพอมีเรื่องขึ้นมาหลบไปอยูนะ่ไปอยู่หลังม่านะนะ พอมันเรื่องหายไปแล้วังค่อยโผล่ออกมาเป็นผลงานของข้าไปเจ้านี่แหละที่ทำที่แท้เนี่ยนุ่นหลบไปอยู่ทั้งที่ไหนก็ไม่รู้นี่แหละหลวงพ่อว่าหัวหน้าอย่างพวกเราเลือกผู้แทนก็เหมือนกันผู้แทนรัฐสภร์ผู้แทนรัฐสภาร์ก็ชัดเจนอยู่แล้วผู้แทนของพวกเราถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องลุมไปหาผู้แทนมันจึงจะถูกนะ จะไปหาปิดถนนอนะ่ะมันไม่ถูกหลวงพ่อว่านะต้องรวมกันไปหาผู้แทนจะบอกผู้แทนราช ด, ดอนถ้าผู้แทนได้ยินหลวงพ่ออินพูดผู้แทนก็คงจะควันขึ้นหูอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเอ อ, เอาเราเป็นผู้แทนแล้วก็ต้องเหยียบขี่ม้า ก, ก็เหยียบก่อนเพื่อนเหยียบน้ําก็เหยียบก่อนเพื่อนเราจึงเป็นหัวหน้าเขาได้ใช่ไหมอย่างหลวงพ่ออินเหมือนกันนี่ที่เป็นหัวหน้าวัดเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่ออินก็ต้อง อแอนอกมารับแล้วมีอะไรหลวงพ่อเองเป็นผู้รับผิดชอบในพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาอยู่ที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นภายในวัดนะหลวงพ่อเองมีอะไรมาพูดมาคุยกันได้เพราะหลวงพ่อเป็นหัวหน้าอยู่ในวัดนี้มีอะไรไหมหลวงพ่อก็จะต้องพูดเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเป็นหัวหน้านี่ก็เหมือนกันถ้าใครจะเป็นหัวหน้า ก็ต้องเป็นผู้ครอบครอบเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตายแต่แทนหมู่พวกเพื่อนได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อต่อวงต่อคณะของตนเองได้มันจึงจะเป็นหัวหน้าได้อไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้าแล้วลบหลบหลีกหลีกๆ ก, ก, กซ่อนๆเวลาเขาไปหานงว่าจะไม่อยู่อยู่เรื่อยไม่ได้แล้วอันนั้นเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีถ้าหัวหน้าดีแล้วก็ต้อง เดือดร้อนอยังไงพี่น้องประชาชนพระสงฆ์วัดวาศาสานาสำนักงานแต่และสำนักงานมีความเดือดร้อนอะไรก็จะต้องออกมาดูไกลเกลี่ยแล้วก็ประสานแล้วก็ระ ง, งับเหตุการณ์ให้เรื่องทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นในการบริหารจัดการ มันจึงจะถูกได้หลวงพ่อว่านะเอาวันนี้หลวงพ่อได้พูดเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้าให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอาตอนนี้ไปรับพร น, นมูธนาให้พร